มังสารนันกัจฉา เพื่อให้อ น, นิสงส์ที่ฟังกับบางอย่างเราที่ยังไม่รู้ก็ได้ได้รู้ได้ฟังแล้วก็บางเรื่องที่สงสัยอยู่ก็ทำให้ความสงสัยหมดไปแล้วก็เรื่องบางอย่าง ทำให้เราได้เกิดปัญญาขึ้นมาระกับจิตใจของผู้ฟังก็แบบผ่องใสขึ้นมามันก็เป็นอานิสงส์ของการฟังก็ผู้บรรยายก็ได้อานิสงส์เหมือนกัน ในขณะที่บรรยายก็ทำให้จิตนั้นก็น้อมไปสู่ธรรมะเราฟังก็เกิดพุทธานุสติแล้วก็ผู้บรรยายก็มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติเหมือนกัน เมื่อจิตของเราได้น้อมเข้ามาสู่ธรรมแล้วก็ปฏิบัติเราก็จะเข้าใจเองว่าระหว่างจิตที่คอยกำหนดจดจอเจริญอยู่ด้วยกุศลกับจิตที่ไม่กำหนดเลยแล้วก็ปล่อยให้ธรรมอารม์นั้น เกิดขึ้นมากมายที่เราปรุงแต่งมากมายเราจะมีสภาวะต่างกันแต่ร่างกายดูอาจจะไม่ต่างแต่ว่าสภาวะจิตเนี่ยจะต่างกัน ต่างกันตรงไหนอยอมก็บอกแล้วว่าต่างกันที่ว่าคุณธรรมจะค้ำจุนไว้ให้กับใจสงบเยือกเย็นภายในบางคนก็เร่าร้อนจนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ก็เกิดความทยานอยาก แล้วก็เกิดให้โทษนั้นปรากฏขึ้นมาโยมเคยสมัมผัสคำว่าความดับเย็นไหมเมื่อก่อนจะมาอยากจะรู้ความดับเย็นเป็นยังไง มันก็เหมือนเราดับความร้อนในวิญญาณเรานะให้มันสงบระงับแล้วก็ดับความกระหายทั้งหมดอาตมาจะสรุปใช้คำว่าอำนาจแห่งความดิ้นรน เมื่อก่อนจะมาใช้บ่อยนะครับช่วงหลังๆก็ชักจะลืมๆไปอำนาจแห่งความดิ้นรนเนี่ยมันมากนะโยมเชื่อไหมว่าไม่ว่าสุนัขหรือเสือที่ถูกขังกรงอยู่หรือถูกล่ามโซ่ก็ะามมันก็ยังดิ้นรนอยู่นะจริงอยู่ว่ากาย ไม่ได้แต่ภายในใจตรงนั้นนะมันไม่เคยหยุดนิ่งนะอําหน้าดึงความดิ้นรนมันเยอะแล้วก็พร้อมกับพร้อมกับมีความเล่าร้อนอยู่ให้เกิดความกระเสือกกระสนกระวนกระวายมีความกระหาย เหมือนกับอยากกินโลกใบนี้คำใหญ่ไม่อยอมว่าคำนี้ไม่ใหญ่นะครว่าอยากจะกินโลกใบนี้ทั้งใบนี่มนุษย์ถ้าทำได้มากกว่านี้ก็จะทำมากกว่านี้อีกจะมาบอกเออในอำนาจแห่งความ ดับเย็นหรือว่าอำนาจแห่งความสงบใจตรงเนี้มันต้องฝึกนะมันต้องฝึกพวกเราอย่าเข้าใจว่ามันจะเกิดเองความดับเย็นนะไม่มีทางเลย และทางก็ไม่มีด้วยกว่าจะมีพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งก็ต้องโอโหูบำเพ็ญอเนกอนันตชาติแล้วก็มีความปรารถนาที่ตั้งไว้โดยไม่เสื่อมคลายแล้วก็บำเพ็ญต่อเนื่องในศีลสมาธิปัญญาตลอดกว่าจะได้คำว่า นิพพานหรือความดับเย็นในขั้นหลุดพ้นจริงๆนะถ้ามาเทียบกับเราเรานักปฏิบัติหรือว่าผู้ภาวนาเนะี่ย <c oughs> พวกเราบางทีก็ยังหลงทางอยู่นะโยมอย่าบอกว่ายมไม่หลงทางนะ เรายังหลงทางอยู่บางทีก็ดูเหมือนจิตเราก็เร่าร้อนนะโยมจะบอกว่าจิตโยมอาบน้ำแล้วทาแป้งเรียบร้อยตา ง, งูด้วยเย็นไม่จริงนั่นโยมอาบน้ำทากายการชำระจิตน้ำชำระไม่ได้ มันต้องใช้ธรรมะเท่านั้นจึงจะดับความร้อนความกระหายได้จะมาไม่แปลกใจนะว่า <c oughs> พระผู้ทรงศีลพระผู้ทรงธรรมพระผู้มีอภิน ญ, ญาทั้งหลาย เมื่อท่านได้ประพฤติและก็ปฏิบัติให้เกิดธรรมแล้วนะทำไมท่านพยายามฝึกฝนมากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วก็ไม่เคยย่อหย่อนอีกเลยโดยเฉพาะจิตธรรมะกับชีวิต ท่านผสมภสานกันแบบเขาเรียกลงตัวจิตกับธรรมะผสมภสานลงตัวใจสงบใจสบายแล้วก็ใจนั้นก็ร่มเย็นร่มเย็นเป็นสุขแต่มาจึงบอกความสุขของมนุษย์ล้วนแต่ยึดมั่นถือมั่น แต่ความสุขโสดามันเป็นการปล่อยวางถ้ามาสงสัยมันจะสุขได้จริงหรือไหนแท้ไหนเทียมไหนปลอมไหนเท็จกันแน่ยมฟังนาะสุขของมนุษย์พวกเราเราที่ยังมากด้วยกิเลสล้วนแต่เป็นความสุขปรุงแต่งจิตบันทั้งหมดเลย อะไรที่เรายินดีพอใจเราก็พยายามบรรดาลเสริมเพิ่มเติมแล้วก็แต่งขึ้นมาหรือพยายามทยายาหาสิ่งนั้นเข้าม่แต่ของผู้ทรงศีลทรงธรรม ตั้งแต่โซดาบันขึ้นไปท่านใช้คำว่าสุขเกิดที่ใจปะสั้นจังแล้วพอถามว่าทุกท่านบอกเกิดที่ใจสั้นยาวเท่ากันเลยสุขกับทุกข์คำเดียว แล้วก็เติมข้างหน้าก็าจะเกิดหรือดับเท่านั้นเองท่านกำหนดรู้แต่ว่าสุขเกิดแล้วก็สุขนั้นดับทุกเกิดทุกนั้นดับไม่ไม่กำหนดอย่างนี้ก่อนรู้ถึงความเกิดดับ สุขของท่านเกิดจากความไม่ยึดมัน่นสุขจากมนุษย์คือความมั่นหมายมันยมเจอของสวยยมก็ปรารถนาครอบครองปุถุชนจะมีสันดานนิสัยแบบนี้เลยแต่มาเรียกว่าสันดานเลยล่ะเห็นนกสวยก็ต้องการเป็นของตัวเองนะเอามาขังกรงสช่ รู้ไหมว่าทำให้เขาลำบากรู้ไหมว่าอิสระของเขาเราไปจํากัดเขาไว้แค่กิเลสแล้ ว, วพอใจในรูปพอใจในเสียงนี่คือเหตุผลมนุษย์แต่เราไปรังแกสัตว์โลกผู้น่าสงสาร เคยระลึกไหมว่าถ้าวันหนึ่งเขาบอกเราสวยเสียงดีเขาจับไปขังกรงล่ะลองสลับและคิดใหม่ว่ามันเป็นความสุขห ร, รือเปล่าเกิดเดินมาก็บอกโอ้โหคนนี้สวยโอ้โหเสียงเพราะนี่เอาไปขังไว้เราจะครอบครอง อ, อยากจะฟังเสียงเอาร้องให้ฟังใากอยากใจเห็นเอาเปิดม่านให้เห็นหน้าหน่อยนี่แหละความสุขมนุษย์ไปรังแกอีกชีวิตหนึ่งไปจำกัดสิทธิ์ของอีกสรรพสิ่งที่มีชีวิตอีกแบบหนึ่งตะมาบอก เห็นแก่ตัวเป็นความสุขที่ยังเบียดเบียนผู้อื่นแล้วจะบอล น, นี่คือความสุขจะมาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ากลับกันละ่ะถ้ายมบอกว่าใช่ความสุขเอากลับกันไหมยมมาเป็นนกตัวนั้นแทนนกตัวนี้ก็มาเป็นคนที่มาครอบครองแทน แล้วจับมาขังกรงเอาไว้เด็ดนิ้วขันใชลูกเอาเลยลูกขันเลยลูกพออยากฟังให้กินอย่างดีแล้วนะ่ะโยมนึกว่าเขาพอใจในข้าวปปะกอกที่เคลือบน้ำตาลหรือเปล่าเขาอยากอยู่แบบชีวิตที่เขา โผผินบินไปมาส่งเสียงร้องอยู่ท่ามกลางเวงหาเขาจะซอกซอนหลับนอนดูตามพุ่มไม้น้อยใหญ่ในป่าเขาพะนาไพรนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการแต่เรามีสิทธิอะไรไปจับเขามาเขาผิดข้อหาอะไรเอาเวลาถูกก็หน้าที่ กฎหมายบ้านเมืองเขาจับแล้วก็ถามว่าผิดข้อหาอะไรจ๊ะข้อหาว่าคุณสวยนี่ข้อหาใหม่นี่คดีร้ายแรงแล้วเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งละ่ะข้อหาเสียงดีปะ่ะข้อหาเสียงเพราะมี ผู้ใหญ่ต้องการและถ้าเกิดความนิยมเกิดขึ้นอย่างนี้มากขึ้นพวกเราจะไม่ถูกจับขังกันเป็นแถวหรือโยมออมนุษย์คิดได้แค่นี้สุขอริยะไม่เบียดเบียนใครไม่ได้พอใจในคนนั้นด้วยรูป คนนี้ด้วยเสียงไม่แต่ท่านสุขเกิดจากในใจของท่านนำมาบอกสุดยอดเลยนะใครเนาะจะรู้สุขที่อยู่ภายในอา้าวโยมว่าความสุขใจเกิดยังไง นั่งๆหัวรอกขี้ๆ ค, ค, คากๆนบ้ากันนันเน่ยอ้าวอยู่ๆไม่มีปีไม่มีคุยไม่มีคนเป่าคุยมันดังเองก็คุยจันไหร <_ d ata> หรือว่าคุยวิเศษก็เรียกได้สองอย่างไม่จันไรก็วิเศษถูกไหมมันเป่าเองคุยอยู่ๆกองลั่นตุ้มตุ้มตุ้มไม่มีคนตีอ้าว ไม่เป็นกองวิเศษก็กองจันไหลสององได้โยมว่าวเป็นกองแบบไหนนะมองในแง่ดีก็เออกองวิเศษตีเองลั่นในเองทําพูดในแง่ไม่ดีก็โอ้โหอั ป, ปมงคลนะมันอยู่ที่หนึ่งความคิดหนึ่งจิตนะถ้าผู้ใหญ่กว่าเราเขามองว่าเออมันเป็นมงคล ฟังเป็นเรื่องดีนะแต่ถ้าผู้ใหญ่ก็บอกโอ้โหมันเกิดอะไรแล้วเนี่ยอยู่ๆกองมันลั่นเองเนี่ยนะอยมว่าเป็นกองแบบไหนเอาช่างมันเถอะแต่ว่ามนุษย์รู้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพบอะไร ที่ตัดสู้โยมพระพุทธเจ้าเอาทุกอย่างแรกมาทั้งลูกทั้งเมียทั้งราชสมบัติทั้งความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแรกอะไรมา พระองค์ได้ความสุขที่ไม่มีความทุกข์อีกเลยใครทำให้พระองค์สุขหน้ามนคนไหนหรือสิ่งของอันใดหรือใครๆคนไหนไม่ใช่วัตถุไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่เวลาแล้วมันคืออะไรยูว่าพระพุทธเจ้าเรานะพบอะไรในการตัดสู้แล้วก็รู้อะไรในใจที่พระองค์ตัดสู้มาเขาเรียกว่าวิมุตติสุข เป็นความสุขที่ต่อด้วยหลุดพ้นบุตชนความสุขที่ยังเจือทุกตามามคำนี้พอแลเห็นสุขของมนุษย์ไม่หลุดพ้นยอมเชื่อไหมละ่ะก็บอกวันวันยังหวานอยู่แต่วันนี้จุดชืดจะลเกิด ทำไมล่ะน้ำตาลหมดหรือไงหรือวันวันยังหวานอยู่วันนี้เลี่ยด น, euh. นึอเกินอ้าวทำไมน้ําตาลมันมากเกินหรือเปล่าก็บอกให้สุขมนยนเอาความยินดีพอใจเมื่อยินดีพอใจตัวเองก็บอกนี่คือความสุข เห็นรูปสวยบอกสุขเห็นเสียงเพาะบอกสุขวันนี้เกิดรูปมันไม่สวยขึ้นมาเหี่ยวแห้งลงมาเรานั่งชมดอกไม้สวยไปสวยมาพออีกสองวันก็โรยแล้วก็ลาโรยลานะก็คือต้องจากแล้วละ่ะมันไม่จีรางทิงบอก ความดีใจเปลี่ยนมาเป็นความเสียใจความยึดมั่นเปลี่ยนเป็นการรู้สึกมันเก็บอยู่ในใจแล้วสิ่งนั้นเหมือนถูกทำลายลงมนุษย์จึงรู้สึกว่ามีความเจ็บปวดแต่พระพุทธเจ้าไม่มีความเจ็บปวดพระอราหันต์ก็ไม่มี พระอริยแค่รู้ว่าเคยมีและก็รู้ว่ามีเพราะอะไรล้วท่านก็ละสิ่งนั้นจึงบอกเออสุขที่หลุดพ้นเขาเรียกวิมุตติสุ ข, ขพระพุทธเจ้าจเจอสองอย่างนีสุขที่หลุดพนมนุษย์สุขที่มีทุกข์ ไม่หลุดพ้นโยมไปแยกแยะดูแล้วก็ดูจริงๆนะแล้วเห็นชัดเลยละ่ะถ้ายมกำหนดยังไม่ได้แตม่ามาบอกปัญญาไม่เกิดจิตยังไม่เปิดดวงตายังไม่เห็นธรรมยังไม่ปรากฏชัดเราให้โยมปฏิบัตทิทาแบบไหนก็ตามมันไม่ชัด ยังเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงนะกำหนดดูอาตมาบอกพระพุทธ เ, ทเจ้ามีวิมุตติสุขปุตตชนมีสุขที่ไม่พ้นทุกข์อริยะ ปุตุชนต่างกันตรงนี้กรรมาไม่ได้ปฏิเสธว่าปุตุชนไม่มีความสุขมีแต่เป็นความสุขที่ไม่พ้นทุกข์หรือเป็นความสุขที่มีทุกข์อยู่พวกเราเคยสุขกันมาแล้วนะสุขจนไหม่ก็มีมันเลยเถิดมันมันกลายเป็นไฟไป กลับมาเผาเราสิ่งที่เคยมีเคยได้บางทีเราก็ว่านี่เป็นความสุขแล้วก็วันต่อมาสิ่งนั้นก็จากเราไปมันกลายมาเป็นทุกข์อีกสิ่งที่เคยว่าสวยมันก็เปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิมถึงบอกมนุษย์เข้าใจแค่รูปสวยเท่านั้นเข้าใจว่าเสียงไพเราะเข้าใจว่ากลิ่นโชยมาหอมหน่ารัญจวนเราเข้าใจแค่นี้ พระอริยะท่านข้ามมากกว่าเราอีกเพราะท่านก็ผ่านสิ่งนี้มาแล้วแต่ท่านได้สติตรงที่ว่าเมื่อมองใช้สติเกิดปัญญา เมื่อมองใช้สติเกิดปัญญาเมื่อพิจารณาวิปัสนาเกิดเมื่อวิปัสนาเกิดยานก็เกิดตามมาเรื่อยๆมองข้ามไปทุกอย่างแล้วก็เห็นอนาคตรู้แจ้งในปัจจุบัน คืนวันผ่านมาที่เป็นอดีตท่านเข้าใจหมดเลยทุกอย่างท่านเข้าใ จ, จริงบอกว่าอำนาจแห่งความดิ้นรนตรงเนี้ยมันเคยมีมากับเรานานมันเป็นสันดานเก่าเราด้วย อำนาจแดงความทยานอำนาจแดงความอยากได้ใครมีทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เป็นความผิดนะแต่มันไม่ใช่ทางพ้นทุก์เท่านั้นเองก็มาบอกเราเข้าใจแล้วที่เราคิดมาไม่ได้ผิดแต่ไม่ใช่ทางพ้นทุก์แล้วเรากำลังต้องการ ชีวิตที่ไม่มีทุกข์ถ้าทางนี้เดินไปเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้ทะเลเพลิงแห่งกองทุกข์เราจะไม่รู้จักวันจบสิ้นโลกยังมีวันสิ้นโลกนะแต่ทุกโศกจะไม่มีวันสิ้นจากจิตใจโยมอย่าเข้าใจว่า โลกวันนับว่าอายุนานตมากราภวจิตวิญญาณยมนานกว่าโลกไปนี้อีกอ่าวันสินโลกยังประเมินประมาณได้แต่วันที่จิตสิ้นทุกเนี่ยยังประมาณไม่ได้โยมนึกว่าพวกเราอายุสั้นเหรอในอายุหนึ่ง ในยุคนี้ร้อยปีย่อนลงมาส่วนใหญ่แต่ภูมิชาติที่เราสืบต่อไม่รู้อยู่ทุกติสุกติวนเวียนยาวนานแค่ไหนไม่รู้นะไม่รู้ขนาดพทธเจ้ยายังต้องก่อนลงมาตรัสรู้ยังต้องอยู่ชั้นดูสิ ไม่ใช่ว่าไม่เกิดเกิดอยู่แต่เป็นเทพอยู่ชั้นดุสิตโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์หรือมหาโพธิสัตว์รอการอุบัติเคลื่อนจากภูมินั้นมาสู่มนุษย์โลกเพื่อมาตัด ความเศร้าโศกวิปโยควงจรทั้งหมดแห่งความทุกข์ในสังสารวัฏที่เกิดตายมาเปิดโลกแห่งมรคาให้กับเราท่านทั้งหลายแต่มาบอกวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์เป็นผู้มีความสุข อย่างวิมุตตถ้าเป็นสุขไม่มีไม่วิมุตอตอาตมาก็ไม่ยอมรับปุถุชนก็มีอยู่แล้วส่วนนแต่สุขปุถุชนไม่พ้นทุกข์สุขของเหล่าอารหันต์เป็นวิมุตติสุขต่างกันตรงไหนใจยึดกับใจว่าง ต่างกันตรงนี้โยมใจที่ยึดกับใจที่ว่างโยไมไปกำหนดดูสักชาตินี้จะเกิดปัญญาในกระดาษเปล่าหรือเปล่าอ่าไม่ได้พูดเล่น มองกระดาษเปล่าจนเป็นธรรมะมองธรรมะจนเป็นสิ่งว่างเปล่าก็คิดเองนะเรื่องบางอย่างมันต้องเกิดด้วยใจของผู้ภาวนาเองเหมือนจิตโยม ใครจะไปละจิตโยมได้ไม่มีนอกจากใจละใจของใจเองนั่นแหละจึงจะหลุดพ้นด้วยตนเองผู้เจ้าบอกตนเป็นที่พึ่งของตนแต่มาดูหลายมุมแล้วคําไหนที่จะใช้ให้มันถูกที่สุดตนเป็นที่พึ่งของตนใจละใจ จะมีใจหรือไม่มีใจก็อยู่ที่ใจละหรือยึดนั่นเองปะ่ะไม่ธรรมดานะเนี่ยการปฏิบัติถึงบอกอะไรก็ยังวัดกันได้นะแต่จิตใจเนี่ยมันยากที่จะวัดยากที่จะอย่างถึงด้วยนะว่ามัน ตะมาโยมเคยกลัวใจตัวเองไหมวันหนึ่งโยมจะรู้สึกบางครั้งเรารู้สึกชักกลัวใจตัวเองแต่มาไม่รู้นะตอนเป็นเด็กก็ไม่เชิงเด็กเท่าไหร่อายุประมาณสักสิบสี่สิบห้าก็ไปเล่นไพ่กันเล่นกับผู้ใหญ่นะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาพูดว่า กลัวกลัวใจมึงจริงๆีนขนาดมึงยังอายุขนาดนี้ใจมึงขนาดนี้ต่อมาก็ฟังยังไม่เข้าใจกลัวใจเรายังไม่รู้แต่คนอื่นเขากลับกลัวแล้วกลัวใจเราแต่ตอนหลังธรรมา สัมผัสได้นะครับนี่ใจดวงนี้น่ากลัวน่ากลัวจริงจริมันสร้างพกได้ไม่รู้เท่าไหร่มันสร้างโทษเวรภัยไม่รู้จบสิใจนี้น่ากลัวจริงจริโยมต้องหยุดมันนะหยุดมันให้ได้ ใช้คุณธรรมสั่งสอนเขาใช้เมตตาให้เขารับรู้ให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนให้ได้บใจที่น่ากลัวเราเปลี่ยนเขาให้ได้ อะไรก็แล้วแต่โยมเติมเข้าไปเองว่าบางครั้งเรากลัวใจตัวเองบางทีก็อยากจะฆ่าคนเหมนะือนกันอย่าบอกว่าไม่เคยคิดนะอารมณ์จิตขนาดหนึ่งนะหลายศพแล้วละ่ะโยมรู้หรือเปล่าถ้าให้ใจมันฆ่านะตายไปเยอะแล้วละ่ะน่ากลัวใจเวลามันโลภ มันไม่มีพี่น้องไม่มีเพื่อนไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีมิตรมีแต่ว่าต้องได้สิ่งนี้มาเพื่อเป็นของของเราน่ากลัวไหมใจนี้น่ากลัวเวลามันโกรธขึ้นมา เสือว่าร้า ย, ยมันกัดคนได้แค่คนสองคนวันหนึ่งมันก็พอแล้วแต่ใจนี้มันฆ่าได้วันเป็นร้อยเป็นพันไม่มีพิชชนิดไหนร้ายแรงเท่ากับใจคนสุดยอดเลยไม่มีอาคมศาสตรใ์ใด จะต้องมนสะกดเท่ากับใจคนและไม่มีอาวุธใดจะแหลมคมเท่ากับใจเหมือนกันบอกโหสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นจะบอกแต่ในอีกขณะดเดียวกันก็ไม่มีอะไร จะดีไปกว่าใจคนอีกบอกปะมันยังแบ่งกันอีกเอาอะไรเป็นเส้นขอบแบ่งกันระหว่างดีกับชั่วเอาการกระทำหนึ่งเอาคำพูดสองเอาจิตเจตนาเป็นตัวตั้งสามอยา่าง เสแซงเท่าไรมันก็คือเสแซงเพราะตอนจบมันไม่เหมือนตอนต้นเช่ไหมเริ่มงอกลางคดปลายเบี้ยวยังไงมันก็เห็ดอยู่แล้ว เริ่มตรงกลางคดปลายงอก็ไม่ได้ตมาบอกเออดูจนถึงก็เริ่มต้นกับตอนจบพูดตรงกันไหมโยมเชื่อไนับวันนี้มนุษย์พูดจริงอยู่แค่อาจจะส่วนหนึ่ง สองส่วนครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งหรือเท็จทั้งหมดหรือจริงทั้งหมดนวัดกันที่คุณธรมตรงเนี้เพียงแต่คิดว่าเราจะทําลายผู้อื่นหรือเราไม่ซื่อตรงตมาก็รู้สึกไม่สบายแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําหรอก เราไม่อยากผิดไม่ใช่ไม่อยากผิดกับคนอื่นแต่ไม่อยากผิดมโนธรรมตัวเองเป็นข้อแรกแล้วเราก็ไม่อยากสร้างเวรให้เดือดร้อนอีกอำนาจแดงความริษนรนั้ะมันต้องยุติลงฉะนั้นยมดู ใจให้ดนะีรักษาให้ดีปฏิบัติให้ดีแล้วก็คุ้มครองเขาให้ดีถ้าเราทำได้วันนี้ถึงโยมจะรู้สึกอะไรที่มันแทรกซ้อนก็ามายาวันไว้นั่นคือ ความเพียรที่โยมกำลังชดนะจากบาปทั้งหมดที่โยมเคยมีมาในอดีตถึงปัจจุบันมันเป็นการสู้รบครั้งยิ่งใหญ่โยมเชื่อไหมว่าไม่ได้สู้วันเดียวและจบบางทีสู้ทั้งชีวิตก็ได้จะมากำหนดดูค่าศึก ระชิดเมืองปิดล้อมสามเดือนสี่เดือนปีสองปีเห็นผลแพ้ชนะพอประเมินกำลังได้แต่คาดศึกในใจเรากับนักรบในใจของเรามันยังสู้รบกันอยู่ที่ไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่ หรือยมตอบได้แล้วถ้าตอบได้เก่งไม่ใช่น้อยนะนบางครั้งก็ถอนใจนะรู้สึกเราเริ่มอ่อนแอบางทีเราก็เริ่มชักเหตุผลที่ต้องมีบาปเข้ามาหรือบางทีเราก็มีเหตุผลเพื่อเอาตัวรอด แล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นอกุศลวิบากอีกหรอํานาจแห่งความดิ้นรนไม่สงบสถีตอนนี้โยมดูไปถึงไหนแล้วจิตมันดับเย็นไหมแต่มาว่า มันยังไม่จบนกากโยมโยอมสละใจของโยมเองก่อนก็เรียกทำใจให้ตายก่อนแล้วโยมก็จะได้ใจใหม่ ถ้าเป็นการรบมันก็เหมือนการเดินหมากใหม่เปลี่ยนยุทธวิธีการรบใหม่แต่พรอาตมาก็บอกยมไม่ได้แต่สติปัญญาเรารู้ยังไงเราก็อบรมไปอย่างนั้นอาตมาบอกยอมตายก่อนยอมตายเพื่อเกิดใหม่ นี่เป็นเรื่องของสติปัญญานะไม่ใช่ยมไปตายจริงๆแล้วบอกเกิดใหม่คนละเรื่องกันนะฟังต้องคิดนิดหนึ่งก่อนจะมายอมให้ใจนี้ตายเพื่อให้ดอกบัวนี้บานขึ้นมาให้ความตายเนี่ยเป็นปุ๋ยขึ้นมาใหม่ เราจะมีเมล็ดพันธุ์ไว้เมล็ดเดียวตายเพื่อให้เป็นปุ๋ยให้เมล็ดพันธุ์ใหม่งอกขึ้นมาคำถามคำแรกว่ากล้ายอมละสละทิ้งทุกอย่างไหมคำถามที่สองยอมตายไหมจิตนี้จิตนี้ยอมตายไหม ถ้าสองสิ่งนี้ตอบไม่ตรงกันสุขของโยมถึงจะมีอีกสักล้านครั้งก็ไม่พ้นทุกข์อำนาจแห่งความดิ้นรนจะไม่มีวันสยบลงได้ชัดเจนนะตรงนี้โอตะมาดูมนเรากล้าสูญเสียทุกอย่างเลยยัง โอ้โหโยมมันกับโลกมันตีกลับโยมเคยดูดังเรื่องซุเปอร์แมนไหมมันหมุนกลับทวนเข็มโยมยทุกอย่างถามว่ามันมีทางเลือกหรอตอนนี้อยู่ที่โยมเลือกนะ ยอมสละละทุกอย่างทิ้งทุกอย่างที่เคยมีมาทั้งหมดเริ่มร่างกายปลายผมถึงพื้นเท้าสละกายนี้ได้ไหถ้ายอมสละได้ยมก็ไม่กลัวตายเพราะการตายก็ถือว่าสละชีวิตเพื่อสิ่งที่ประเสริฐกว่านียมต้องคิดใหม่ นี่เป็นยุตธวิธีที่จมาปฏิบัติธรรมแล่มันไม่ใช่เลขกลนแต่ว่ามันเป็นกลอุบาย <ende. S 1> เพื่อให้เราเข้าไปอยู่ใกล้กับความจริงที่สุดที่เป็นธรรมะอันเป็นแก่นธรรม เรื่องน้ำเรื่องเนื้อเรื่องเอ็นเรื่องกระดูกโจับต้องกินดื่มอาบมาเยอะแล้วต้องการแก่นมันคือหัวใจไม่ใช่คำตอบวันนี้แต่อาตมาโชคดีในสิ่งที่โชคร้ายมาโชคดีจุดไหนยมรู้ไหม บังเอิญเราเป็นคนไม่มีอะไรโชคดีจริงๆญาติก็ไม่เอาพี่น้องก็ไม่เอาสมบัติก็ไม่มีไม่มีหมดนารีกก็ไม่มีลูกผัวเมียก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีตำแหน่งหน้าที่การงานก็ไม่มี เพชรเนนจินดาก็ไม่มีชื่อเสียงเกียดจดก็ไม่มีโอ้ในความโชคร้ายพอถึงจุดหนึ่งมันกลายเป็นสิ่งโชคดีบอกสิ่งที่บอกให้ละที่ไม่ต้องยึดมัน่นสิ่งนี้เราล้วนไม่มีอยู่แล้วอาก็ดีสิเห็นไหม กลายเป็นเรื่องดีไปใชอีกนะโอ้ถ้าเรามีบ้านมีเรื่องมีที่มีนามีลูกมีสามมีมีชื่อมีเกียรติมียศมีนั่นมีนี่โอ้โหโยมคิดเลยว่ามันจะมาได้ไม่ได้แค่โยมมาสามวันห้าวันเจ็ดวันนี้กัาแมวอยู่บ้าน ได้กินข้าวหรือเปล่านาะหรือมันตายแล้วไอ้ไอ้ด็อกน้อยเออยัองคิดถึงแม่หรือเปล่าเนาะไม่ได้อยู่แล้วมันเฮงกินน้ํายังไงนาะนอนห่มผ้าหรือเปล่าคิดไปเรื่อยนี่ขนาดด็อกน้อยนะก็คือหมาน้อยนะะ ลูกห ล, ลา น, ลานเป็นยังไงตอนนี้มันทำยังไงคิดไปธุรกิจเรื่องราวมากมายถ้ามาเจออยู่คนโอ้โหกว่าจะลาบวชด้วยตำแหน่งราชาการใหญ่ตำแหน่งผู้กากับด้วยนะโหสิบห้าวันบวชยังต้องเอาเอกสารมาให้เซ็นอยู่ยวปะ นี่ขนาดสิบห้าวันต้องเซ็นเอกาสารเดี๋ยวตำรวจคนนั้นมาอีกแเดี๋ยวคนนี้มาเย่ออีกแล้เดี๋ยวลูกเมียมาอีกแล้วเดี๋ยวลูกน้องมาอีกแล้วเดี๋ยวงานมาแล้วเซ็นปะ่ะสิบห้าวันมันจะได้อะไรเนะคิด สิห้าวันแล้วก็เวลามันก็ใช้ไม่เต็มที่มันพัวพันเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามมาอีกหน้าที่การงานอีกออก็ถือว่าได้บวชแล้วแล้วกนดีกว่าไม่บวชไหมก็ดีกว่าอย่างน้อยใจก็ยังเออนึกถึงศีลถึงธรรมอยู่ก็ใช้ได้ เป็นไงยมละวางอะไรได้ยอมสละละทิ้งได้ทุกอย่างไหมที่เป็นอดีตถ้าละได้ก็เหลืออยู่กับปัจจุบันเงื่อนไขคือละอดีตทั้งหมดได้ไหมทุกอย่างจะวิมุตสมมติไม่รู้ถามละได้ไหมตอนนั้น ถ้าละอดีตได้ทุกอย่างก็เหลือแค่ปัจจุบันปัจจุบันถ้าไม่ยึดมั่นหมายอะไรใจจะสบายนเริ่มอิสระแล้วไม่วุ่นวายเราตายในอดีตได้ไหมเราสละทุกอย่างที่มี ได้ไหมใจตรงนี้ถ้าทำได้โสดาบันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเพราะอะไรยังรู้ไหมใจไม่มีเครื่องผูกเนี่ยนั่นแหละถือว่าเป็นคุณธรรมที่แท้จริง เหลือแค่หน้าที่เท่านั้นแต่ว่าไม่มีเครื่องผูกก็มาบอกเออเราแยกแยะแล้วหน้าที่ที่มีก็คือต้องทำเสร็จแล้วจิตเราก็วางได้นี่แหละคือคาสอนที่เป็นแก่นแท้แก่นแท้อยู่ตรงนี้หน้าที่มีก็ต้องทา เสร็จแล้วก็ปล่อยวางถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้นะยมจะไม่ทุกข์อะไรนานกับสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งที่เรามีอยู่แต่มาบอกอสติของพระผู้ที่ะละกิเลส เข้าใจในคําว่ามีไปสู่ความไม่มีในความไม่มีที่ยังมีอยู่ท่านไม่สับสนทั้งสองอย่างแต่ผู้ภาวนายังสับสนอยู่ในคําว่ามีสู่ความไม่มีในความไม่มีสู่คําว่ามีเราสับสนไงที่บอกยอมตายเพื่อเกิดใหม่เดี๋ยวลองทําดู ทำจิตให้นิ่งเสยทุกอย่างมันเหมือนทุกอย่างดับไปแล้วขยมทำได้อำนาจแห่งความดิ้นรนเนี่ยมันจะสงบลงสงบลงนะอำนาจแห่งความดิ้นรนสงบลง พอสงบลงได้โยมจะสัมผัสใจโยมจะสัมผัสเลยใจจะสัมผัสเลยนะเรารู้เลยว่าอะไรคือธรรมอะไรคือจิตแท้ๆอะไรคือ ความกังวลอะไรคือปฏิฆะอะไรทุกอย่างมันก็ค่อยบอกเราหมดอะไรคือโรคอะไรคือโกรธอะไรคือหลงใจเรานี่รู้เลยท่านโยมต้องเข้าถึงก่อนว่าทุกอย่างที่มีที่สุดก็ไปสู่ความไม่มี จนใจเรานิ่งผ่านความหนาวเหน็บเย็นชาจนสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดมีแต่ความดับน ถ, ถ้าใครทําอยู่จุดนี้ได้ต่อเนื่องกันเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนครึ่งปีแล้วนะคนนี้จะรู้ว่า ในความมีมันก็คือไม่มีสิ่งที่ไม่มีก็คือสิ่งที่เรายังอยู่กับสิ่งนี้อยู่มีใจแต่ไม่ทุกข์ใจใช่ใจไม่มีมีตัวรู้แต่ไม่มีความยึดมัน่นก็คือสบารู้เป็นสัจจะชีวิตตามความเป็นจริงเกิดดับ ปรากฏอยู่เกิดดับปรากฏอยู่รู้แจ้งชัดจุดนี้อยู่ตรงนี้เองถึงบ่าสุขวิมุตติหลุดอยู่ที่ใจเกิดขึ้นภายในเพราะใจรู้ถึงธรรมะแท้จริงท่านโยมต้องเรียนรู้ศึกษาก่อนว่าในความมีทั้งหมดเข้ามาสู่ใจ และใช้ใจยอมดับสู่ความไม่มีและในความไม่มีนั้นเราก็ยอมรับว่าที่สุดมันก็เป็นเช่นนี้จนทําให้ใจเราดับจากความยึดมั่นหมายแต่สิ่งนี้ยังมีอยู่มีอยู่แต่ใจนั้นไม่ทุกข์กับสิ่งที่มีอยู่โยมสําเร็จแล้วสําเร็จแล้ว สำเร็จด้วยใจรู้ด้วยปัญญาจิตของโยมก็จะไม่กลับไปสู่ความทุกข์อีกฉะนั้นถ้าเรารู้ด้วยความจำไม่ใช่รู้ด้วยใจนะสภาวะไม่รับรองแต่ถ้าธรรมะมารับรองใจเรานั่นแหละเราใช้ใจ อยู่กับธรรมและใช้ธรรมนั่นแหละดับใจเรามีหน้าพูุทธเจ้าบอกให้เอาธรรมครุ้มครองธรรมคุ้มครองจิตรักษาสิ้นแห่งมายาการปรุงแต่งทั้งหมดความเพ้อฝันว่าเที่ยงว่ายิติมันจะถูกทำลายหมดมีแต่สติ ปัญญาแล้วก็รู้ทัดต่อไปโยมนั่งอยู่ตรงนี้มีก็เหมือนไม่มีไม่มีก็คือมีมีหน้าก็ใช้คาว่าขอดเท็จริงปะ่ะเห็นจะใช่พูดสองคำนะขอดเท็จริงเป็นอย่างนี้มีเทจมีจริงเออ เอามารวมกันในความมีก็คือความไม่มีนี่คือข้อเท็จริงในความไม่มีเราก็ยังมีอยู่นี่คือข้อเท็จริงเท้แต่จริงจริงแต่เทบมีก็คือความไม่มีไม่มีก็คือความว่ามีมีใจแต่ใจไม่มีทุกสาทุกวิมุตติสุขอยู่ตรงนี้มีใจ แต่ใจไม่ทุกข์รู้ตื่นแจ้งเบิกบานนี่คือคำนี้เองที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้รู้ตื่นแจ้งเบิกบานสัพพัญยุดยานรู้สรรพเสียงทั้งหลายตื่นแจ้งเบิกบานเป็นวิมุตติสุขก็คือรู้ตื่นแจ้งเบิกบานไม่ใช่ความสุขที่ไม่พ้นทุกข์ หรือติดอยู่กับความยินดีพอใจหรือยินร้ายไม่พอใจไม่ใช่ธรรมากมีหน้าพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้ว49เกวัดไม่กล่าวอะไรเลยบายหน้าไปแต่ละทิศทิศทิศทิศถึงเจ็ดสัปดาห์ เพื่อระลึกถึงธรรมที่ตรัสรู้มาถ้าจะอุทานก็บอกธรรมที่รู้นั้นยากที่ผู้จะรู้ตามได้ยากแก่ผู้จะรู้ตามได้ไม่ว่าจะเป็นอิทัพปัตยตาหรือปฏิจจสุตตปัสก็ดีเห็นความเกิดความดับ หรือสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งเกิดก็ตามโลกที่เราอยูนะ่มันก็เป็นแค่ที่อยู่ใช่เป็นของใครที่ไหนแต่ใจมนุษย์ยึดถือโลกใบนี้และเข้าใจว่าเราเป็นเจ้า เป็นเจ้าของทุกอย่างไม่ใช่เราเป็นเพียงผู้อาศัยในแผ่นดินนี้ใครจะยกย่องเทิดทูนแค่ไหนมันก็คือลมปากแลโยมไปเชื่อเขาล้จะมาบ อ, อกที่สุด โลกยังหมุนแต่ใจหยุดนิ่งชีวิตยังเดินและวิ่งแต่ใจหยุดเดินโอ้โหชัดชัดชัดมากนั่งดูแล้วเห็นค่อยๆรู้ไปเรื่อยถ้าโยมรู้ภายในี่บอกนั่งทางในต้องรู้ใจนั่งทางในต้องรู้ใจดังนั้นพวกเรานั่งเป็นหรือเปล่าแต่มาตอบใหนะ้ได้ ทุกคนดูเหมือนนั่งสมาธิแต่ไม่รู้ว่าเกิดทางในหรือยงางน้างโอตอนที่ทำมามุ่งบาเพ็ญเพียปรปฏิบัติน้างดูสุดยอดเลยไม่ผิดนะที่บอกสุขขุมควมภพรภาพที่บอก มันละ ม, มุลมละม่อมมันอ่อนโยนมันนิ่มนวลมันเบิกบานมันสดชื่นมันมีรสแห่งธรรมปรากฏทำให้ใจเราสบายใจเบาหน้าใสใจซื่อมือสะอาดมีหลักธรรมอยู่กับใจภายในก็คิดตอบแทนคุณผู้มีคุณทั้งหลายบอก จิตอย่างนี้เราไม่เคยมีเลยมันประเสริฐจริงๆถ้าเราไม่ภาวนาปฏิบัติอย่ว่าแต่ชาตินี้อีกกี่ชาติเราก็ไม่มีสิ่งนี้ในจิตวิญญาณเราโยมรู้ไหมพอภาวนาถึงจุดมันเหมือนโยมต้องกราบทั้งในจิตและลุกขึ้นมาหมผ้าชเชยงเสร็จแล้วก็คุกเข่าแล้วกราบโกโ ห, โห พุทธเจ้าปรากฏอยู่เบื้องหน้าใช่ต้องเห็นพุทธพระปฏิมาใจเห็นธรรมธรรมเห็นใจชื่อว่าเห็นตถาคตเหือนกันบอกเออพุทธเจ้าเราจะปรากฏเมื่อใจเห็นธรรมตรงนี้เองและไม่มีสิ่งลวงตานะตอนนั้นไม่มีไา ย, ยามีแต่ธรรมะกับโหัวใจมีแต่ชีวิตกับลมหายใจ ไม่สับสนอะไรไม่ปรุงแต่งอะไรไม่เพอ้อฝันอะไรอยู่กับความจริงแล้วไม่ทุกข์กับมันมีแต่สภาพทุกข์ที่เรารับรู้อยู่ยมจำนะพวกเราอยู่กับทุกข์แต่ไม่ทุกข์กับมันแต่มีสภาพทุกข์ที่เราอยู่กับมันอยู่ตอ น, นเจอแดดก็ทุกข์ใช่ไหมมันเป็นสภาพหิวก็ทุกข์ หนาวก็ทุกแก่ก็ทุกลุกขึ้นก็นลําบากเราเข้าใจที่ทุก์ทั้งหมดเล่ามาก็คือร่างกายเราแต่ใจภายในของเราเมื่อหยุดอํหนาจแห่งความดิ้นรนแล้วเนี่ยจะเหลือก็ว่าดับเย็นสองคำสุดท้ายคือดับเย็น ดับเยนโยมลองไปนอนหลับดูกันนี้ดับเย็นหรือว่าหลับเย็นกันแล้วแต่โยมแล้วก็ดับสบายใจสุดยอดเลยโยมถ้าเราเข้าไปถึงจุดนั้นนะประมาณนึกถึงห่วงอวกาศนะมีแค่เทียบเคียงนะให้ฟังมันเหมือนเป็นห่วงอวกาศ ที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงดึงดูดมันเหมือนกับเบาสบายแต่ไม่ใช่ล่องรอยนะตัดตัวล่องรอยออกมันมันเบาสบายอิสระสดชื่นแล้วก็สว่างไม่มีสิ่งมารบกวนบอกไม่ถูก แต่รู้ว่าไม่มีสิ่งใดมาเทียบเลยรถอาหารในโลกจะมาช่วงหลังก็แสวงรถอาหารฝรั่งก็เทียบไม่ได้จีนเทียบไม่ได้เวียดนามไม่ได้ญี่ปุ่นยิ่งแล้วใหญ่เลย ไครก็ไม่ได้เพราะรถที่ริมรถตรงนี้มันเป็นรถที่เกิดจากธรรมะที่เราบ่มไว้ไงจริงอยู่ว่ามันไม่มีกลิ่นหอมแต่ว่ามันมันมากกว่านั้นหมดคำสมมุติแล้วกัน นี่น่าถึงเขายอมตายเพื่อสิ่งนี้ยอมพีทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้แล้วเมื่อใครถึงจุดนี้ไม่มีใครบอกว่าเรามาผิดทางเราเสียดายแล้วเกินเราไม่น่าไม่มีเลยมีแต่ยกย่องสรรเสริญคุณธรรมต่อไปอีกรุ่นสู่รุ่นมาเท่าไหร่แล้วโยนับเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านชีวิต พอถึงจุดของธรรมไม่มีใครพูดเป็นสองเลยไม่มีเลยทุกคนบอกแล้วว่านี่แหละคือวิมุตติสุขแม้จะมาเองก็ไม่เปลี่ยนไว้กันไม่เปลี่ยนแล้วก็รู้ว่าทางที่มาไม่มีทางไหนที่เคยประเสริฐกว่าที่เราเดินอยู่ ตรงนี้ไม่ได้พูดถึงแก้แหวนเงินทองเพนินจินดานะไม่ได้เกี่ยวกันเลยเราไม่ได้พูดถึงภายนอกแต่เราพูดถึงของภายในเราประเสริฐเลิอดกว่าจิตที่แล้วแล้วมาเพราะสิ่งนี้จะพิสูจน์ด้วยใจของใจที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องสงสัย มันจะบอกเราเองคืนวันที่เราอบรมบ่มอยู่ทุกวันนะโยมเฝ้าดูมันก็ค่อยผลิทีละน้อยก็ค่อยผลิออกมาเราดูตลอดเขาเรียกเอาใจใส่ก็สมควรเวลาก็คอยยุติการบรรยายแต่เพียงเท่า น, นี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ แล้วอยากนิพพานนะครับอยากนั่งหลับตาไ้เรื่อยๆใหม่ๆยิ่งก็ติดฝินได้อีกในโยวงถ้าเราปฏิบัติแต่ต้องมีสตินะถ้าไม่มีสติมันจะเครื่อใจมันจะยมเข้าใจว่าปลาน้ําใหม่ มันจะดิบ ด, ดินเหมือนกันนะพอได้น้ำใหม่มันรู้สึกสดชื่นกรปพี้กับเปล่ามันดิ้นดาดอยังไงบางครั้งในมันรู้สึกไม่อยากไม่อยากนั่นเลยเรื่องโลกภายนอกเรารู้สึกมันไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับสิ่งที่เรามีแม้อารมณ์จิตอย่างนี้ก็ถือว่าผิดอาตมาเคยเตือนตัวเองอยู่ช่วงนั้บอกเราเป็นมนุษย์ต้องทาตัวเหมือนมนุษย์ ลืมตารับฟังรับรู้เหมือนมนุษย์ธรรมดานั่นแหละสิ่งที่ถูกต้องไม่งั้นเราค่อยๆเดินเข้าไปในเมฆหมอกและจะหายไปโดยเราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนมันจะหลอกแต่มาบอกอย่าให้มีมายาอย่าให้อารมณ์จ ไปยินดีกับสิ่งใดแม้สิ่งนั้นก็ไม่ควรพอได้สติเราก็ถอนออกมาเออเราต้องปกติออใช่ปกติลองหยิกดูเจ็บไหมโอ้ยังเจ็บใช่ได้เตือนตัวเองนะเคยหยิกอะไรที่เจ็บไหมใช่ มันกลายเป็นที่เราเข้าไปลึกๆลึกๆเราหนักเข้าเราเข้าไปมันเหมือนเดินเข้าไปในเมฆหมอกลึกๆลึกๆจนเราไม่รเราอยู่ไหนแล้วเราหาทางออกไม่เจอเอาแล้ววงังวนแห่งจิตที่อยู่ในผวังหลับก็ไม่ใช่ตื่นก็ไม่ใช่ ที่เคยมีว่าวิปริตวิปลาสเนี่ยมันค่อยๆค่อยๆค่อยๆระวังอามามันหลอกหลอนนะโยมไม่รู้หรอกว่าไหนคือมามไหนคือเทพตอนภาวนาไม่รู้จริงๆอามาโดนมาตั้งแต่พรรษาต้นๆเหมือนกับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยใจมันตื่นตลอด หูฟังเสียงได้ไกลด้วยนะไกลๆเราชัดไม่ธรรมดาแล้วในะกล้บ้าแล้วตอนนั้นเรานึกว่าผู้วิเศษนะเราตอนหลังว่าใกล้บ้าละพอได้สติเราเตือนตัวเองเราไม่ใช่การรู้สึกเสียใจเราเดินลึกๆลึกๆก็ เหมือนเรากำลังเพลินเออเพลินเดินดูดอกไม้ดูอะไรดูสวยดูดูไปเรืเ่อยๆรืยเดินลึกๆึกึกไปจนไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนที่นี่ที่ไหนแล้วเราทำอะไรถึงบอกพอถึงจุดนั้น น, ى, นักปฏิบัติหลงทางก็มีตรงนี้นึกว่ามันเป็นสีวิไลไงนึกว่าเป็นแดนสีวิไล บางทีมารเขาหลอกเรายกยมอํานาจมารไม่ทำบาดาไม่ทำบาด า, างั้นเขาจะเรียกว่าพยามารเขาสามารถกลั่นกรองพระพุทธเจ้าจนถึงขั้นบรรลุถ้าเขาไม่แน่จริงเขากั่นกรองพระพุทธเจ้าถึงขั้นบรรลุไม่ได้นะ การกรองพระพุทธเจถึงขั้นบรรลุเป็นพระพุทธเจ้ามานหมดอำนาจตรงนั้นถ้าหย่อนกว่านั้นมาเนี่ยเขาก็ยังกันกรองอีกเรื่อยๆอเดี๋ยวเราไว้พระกัน